เชิญทุกท่านเปิดหนังสือไปหน้าที่13หน้า13บนะบทธรรมจักกับวัตตนสูตรพวกเราเห็นลูกน้ำเป็นขั้นเป็นขั้นไหมหรือจุดเห็นไหมให้ให้สวดไปอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดตรงลูกน้ำหยุดตรงจุดตามนั้นเข้าใจไหม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 เอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาพารานสิยังวิหรติเยสิปตตนิมิคทายเทตระโคภะควาปัญจวะคีเยภิกขุอมันเตสี ดเวเมพิกเวอันตาปัปปชิตเตนะนาเสวิตาภาโยจายังกามิสุกามาสุขันลิกานุโยโขอินโนขมุโปทุชนิโกอนาลิโยอนัตสันนิโต โยชายังอาตากิลมัทฐานโยโคทุโคอนาลโยอนัตสัญหิตเอเตเตภิกเวอุโพอันเตอนุปัคขมามะชิมาปฏิปัาตถาคเตนะภิสัมภูธา จักุคารานิยานาคารานิ upasamaya abhinaya samputaya niphanaya sangwatati กตมาจะสาบิขเวมะจิมาปฏิปัฏฐาตถาคตนาอภิสัมพุทธา จักุคารณนยานการนิ upwardsamaya abhinjaya sampuṭaya nippanaya sangvatati ayamewa alijo a t h a n k i k o m a k o s a y a tithang สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอาหยังขัวซาภิกเวมะจิมะ ปาติปาทาตัทธาเตนาอภิสัมพุทธาจะกุกขารณียานากรณีอุปสมัยอภิญญายาสัมโพทายานิพพานยาสังบัตติอิธังขวาณภิกขเวตุขังอริยศาสัง ชาติปีทุคาชาลาปิทุคามาณนาปีตุคาโสกาปริเทวาทุขาโทมานตสุปายาสาปิทุคา อาปิเยหิสัมปายุโคทุโคอาปิเยหิวิปายุโคอาทุโคยัมปิชังนรพปฏิตาปิทุกขังสังขิเตนปันจุปาทานาขันธาทุกขาเอีดังโคอาบาลภิกขเวทุขาสมุทโยอริยสัจจัง ยาหยังตันหาปวนภวิกะนันทิราคาสหคตาตตาลาตตรลาพินันทินีสศยาถีทังกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหา อีทางโคปันภิกขเวทุกข์นิโรธอัลยสัจจังยตัดสาเยวะนิโรโธจาโคปาตินิสาโคมุติอนาลายโย อีดังโคนบาลภิขเวทุกข์นิโรงตาฆัมินิปฏิปัฏานอริยสัจอายเมวะลิโยอาทังขิโกมะโคนเสยาธิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาญาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุขังอริยสัจจันติเมผิคะเวเพอนุสุเตสุธรมเมสุ จัคุงอุทปาทิญาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจากุงอุทปาทิตังโคบานิทางภูขังอริยสัจจังปาลินเยตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุ จักขงอุทปาธิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทางถูกขังอริยศาสจังปาลินญาตันติเมพิคะเวปุเบอนานนสุเตสุธรมเมสู จากุณุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาุทปาทิอาโลโกุทปาทีอิดังทุกขสมมุทโยอริยสัจจันติมิพขฆเวปุเพอนันุสุเตสุธัรมเมสุ จักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทีตังโคปนิธานโกขาสมุทโยาลิยัสัจังปหาตัปพันติเมภิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรมเมสุ จัโขงุทธาปัติยาณนาอุทธาปัติปัญญาอุทปาปิเวจฌาอุทปาปิอาโลกอุทปาปีตังโคปานิทานทุกขสมุทะโยอริยสัจจังไินันติเมผิคะเวปุกเพออนันุสุเตสุธรมเมสุ จากคุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอารมโกอุทปาทีอีทางทวคนิโรโทอาริยสัจจันติเมผีขเวปุเภอนานุสุเตสุธรมเมสุ จักุงอุตตปาท่ยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาท่อาโลโกอุตตปาทิจักปันติเมภิเว โอเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจักขงอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาลุโกอุทปาทีตังโคปนิทานทุกข์นิโรธอริยสัจจังสาจจิกตันติเมพิกเว ปุ้เพออนนุสุเตสุธรมเมสุจากขวงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธีเหยดังดัวขนิโรตคามินีปาติปัตตาอริยาสัจจันติเมผีขเว ปูเปอานุสุเตสุธรมเมสุชาควงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลมโกอุทปาทีต่างขปอปฏิทังตัวกานิโรตตาการมิ ปาฏิปาฏานอริยศาสังพาเวตาพันติเมพิคะเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักุงโถปาทิญานุอุตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาธิอาโลโกอุทปาที อ่งโคปานิทางทุกขานิโรธคามินิปาฏิปาทาอริยสัจจพาวิตรติเมผิกาเวผูเภอนนุสุเตสุธรมเมสุจะคุ้งอทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวช อุทปาทิอาโลโกทียาวกิวันจามีพิกขเวอิเมสุจตุสุอาลิยาสัจสุเอวันติบริวัตตังทวาตตาสกาลังยัตถาภูตังญาณทัสนา นาสุวิสุทังอาโหสีเนวตาวหังภิกขเวสาเทวเกโลเกสัมมาเกสสพรมเกเตสัตสัมมาพระมนิยาปชายาสาเทวมนุสายาอนุตตะรังสัมมาสัมโพธิ อาภีสัมพุทโปันจันญาสิงยาโตจักโขเมพิกขเวอิเมสุจัตุสุอาเลยาสะเจสุเอวันติปริวัตตันทวาตสากาลัยาถาภูตังยานทสนสุวิสุทธอาโหสี อาทาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมาลเกสัพรมเกสัสสัมณพะมณียาปชายาสเทวมนุสายานุตตาลังสัมสัมโพธิงอาภิสัมพุทโผนจัญญาสิ่ง ยานันจปาณเมทัสนังอุทปาธิอากุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินาธิธานิปุณาโวติ อิธัมโวจักภะคะวาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขูภะคะวาโตพาสิตังอาภินันทุลงอิมัสสินจัปะนาเวยากลานัสสิมพัญญามเน อาญาสัมโตโกนทันยัตสัวิลาชวิตามามังคัมมะจากคุงุทัปาทีเกณจิสมุทะยธรรมมังสะพันตานิโรธธรรมมันตีภาวติเตจักภาควตาธรรมมะกเก ภูมิมาเทวาสัตธรรมนุษย์สาเวสุงเอตัมภควตาภาลัญสิยอิสิปตาเนมิคทะเยอานุตตารังธรรมจากกางปวัตติตาอปาติวัตติยังสามเนนวะพระมาเนนวะ เดเวนวามาเลนวาพระมุนาวาเกณฑิวาโลกาสมินตีภูมิมาเทเววานังสัตทังสุตตวาจะตุมมหาราชิกาเทวะสัทธมนุษสาเวสุง ดาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตวะทาวาติงสาเทวะสัทธมนมุสาเวสุงทาวติงสานังเทวานังสัตถสุตวะยามาเทวะสัทธมนมุสาเวสุง ยาแมนังเทวานังสัทถะสุตตวะตุสิตาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทถังสุตตวานิมมานราตีเทวะสัตธรรมนุสสาเวสุง นิมมานราตีนังเทวานังสัตถสุตตวะปารนิมิตวะสวตตีเทวาสัทธรรมุตตาเวสุงปรนิมิตวะสวตตีนเทวานังสัตถังสุตตวะภมมม์กายาเทวาสัทธมนมุ สาเวสุงเทวานางสัตถังสุตตวาพัมมะปาลิฉัพชาเทวะสัตธมนุสสเวสุงพัมมะปาลิสัตชานางเทวานางสัตถสุตตวาพัมมะปาโรยตาเทวะ สัตถมนุษาเวสุงอมมะปโริตานางเทวานังสัทถ์สตวามหาพรมมาเทวะสัตถมนุษะเวสุงมหาพรมมานังเทวานังสัตถ์สตวาปาริธาพาเทวาสัตถมนุษ ซาเวสุงปาริธาพานังเทวานังสัตตังสตวะอาปานานาภาเทวะสัตถมนุษสาเวสุงอาปาณานาพานังเทวานังสัตตังสตวะอาภัสาราเทวะสัตธมนุษย์ สาเวสุงอาภัสรานังเทวนางสารตังสุตวาปาลิตตสุภาเทวาสัตถมนตสาเวสุงปาลิตตสุภานังเทวานังสารตังสุตวาอัปปามนสุภาเทวสัตธมนตสาเวสุง อาปะมานะสุขานังเทวานังสัตถสุตวาสุพินเทวะสัตธมนุษย์สาวสุงสุขากินหะกานังเทวานังสัตถังสุตวาเวหะพลาเทวะสัตถมนุษย์สาวสุง เปหาผลานังเทวนาสัทังสุตวะอวิหาเทวะสัตถมนุษาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตทังสุตวะอปัปาเทวสัตถมนุษาเวสุงอภตปานังเทวานังสัทัง สุตถวาสุธาสัเทวะสัตถมนุษาเวสุงสุทาสานังเทวานังสัตถังสุตถวาสุทาสีเทวะสัตถมนุษาเวสุงสุทาสีนังเทวานังสัตถังสุตถวาอาการนิถาราเทวะสัต ทามนุสย์สวสุขเอตัมภะขวตาภาลานสียังอิสิปตเนมิขทเยอานุตารังธรรมจากกังปาวัตติตังอาปติวัตติยาสามเนนวะธรรมเนนวะเดเวนวะมาเลนวะ พัมมุนาวาเกนาจิวาโลกสัมินติอิติหเตนะคเนนะตินนะมุหุเตนะยาวะพัมมุโลกสัทโธอาภุคาชีอาญจะสทัสสาหา สีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอปะมานุจาโอลาโลโอปาโซโลกิปตุละหูสีอติกกัมเมวเทวานังเทวานุภาวัน อาทาโคภาควาอุทานังอุทานิสีอัญญสิวาตาโพกนทันโย و. อัญญสิวาตาโพกนทันโยตีอิเตอิทังอาญาตสมมตัวกนทันญัตสัอัญญกนทันโยตัว นามังอาโหสิทิใน๋ยวเวามาวดบทพาหงระลึกถึงวันที่พระเจ้าทรงตัดสรุวทรงทรงต่อสู้กับพญามารเนาะเป็นชัยชนะของพระผู้ผมีพระภาคเจ้า ดิพิโสภะคาวาอะรหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจรรณะสามปัณโนสุขโตโลกวิตุอนุตตาโรปุริสัตมัสารติสัทถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคาวา ติสาวาคาโตภาคาวตาธรรมสันเทติโกอากาลิโกเอปัสิโกอโอบาลยิโกปาจตังเวทิตาโพวินโยเฮติสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวาสังโฆโอจุปปิปันโน อาข่าวตัสาวกสะโคยายปติปันโนอาข่าวตัสาวกสะโคสามีจิปติปันโนอาข่าวตสาวกสะโคยาธิทางจัตตาลิปุริสายุคนิอาธาปุริสอาปุคาลา สาวกสังโฆอาหูนยโยปาหูนายโยทาขีนยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตาลังปุญญาเกตะโลกาตัสติภาหุงสหัตสมาภิเนเมตาสาวุตตาตังขีเมขาลา อุทิตาโคลาสัเสนมา马拉ทานาทิทามวิธินาชิตาวาโมนิโทตันเตชะสาภาวุเตชะยามังขารานิมาราติเรกามพิยุจิตาสาภาราติกโครามปานารวากรมะคามธาตุยะ ขังขันติสุทันนาวิธินาจิตาวามุนินโทตันเตจะสาภาวะตุเตชยามขคาลานิคิลิงคาชาวาลัอติมาตาพูตังทาวกิจกามสานิวาสุทาลุนันตาเมตัมบุเสกาวิธินา ชิตาวามุนินโทตันเตจะสาภาวตุเตชยามคาลานิโอเคตคาคาติหัดตาสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปัตตมริมาราวันตังอิเทมิสังคาตมนนชิตาวา มูนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยยมังขาลานินาการธรรมุทาลังอีวะคาพิณิยาจินชายจุทวัจนะนัญญากายามเชสันเตนโสมาวิธินาชิตาวามูนินโทตันเต ชาสาภาวะตุเตชามา芒果ลานิศาสจักวิอาญาติศาสจะกขวาทะเกตุงวาธาพิโลปิตมนังอาทิอันดาปุตังปัญญาปทีปัจลิโตชิตาวามุนิโททันเตชาสาภาวะตุเตชยญา อาพุชาคังวิพุธังมาหิตทิงปุตเตนะเทระพุชาเคนาธรรมายันโตอิทุปาทิสวิธินาจิทวามุนินโตตันเตญญสามภาวะตุนเดชยามังคารานิทุขาหัิติที่พุชาเคนาสุทาตากธรร อมังวิสุตติชุติมิทิภะกจิตานังญาณังกตินาบิดินจิตวาโมนิโททันเตชะสาวาทุเตชยมาคารานิตับิพุทธชะยมังกาลาอนักันทายุ วาจโนดินาดินสารเตมตันติหิตวานีคาวิวิธานิจุปัดทวานิโมขังสุขังบดีกมยานารส aban โยมหราคารุนิโกนะโทอิตายสัมปานิ낭ปุรทวา ปารมีสัพปาปตัวสำโพธิมุดตามเยเตนัสจาวาเชนหโหตุเตชยามาคาลังชยยันตัวโพธียามูเลสักกายนังนันธิวัโนเอวังตวังวิจัยย โอยิจายาโซยิมังเกณเณรอะระจิตตพันังเกสีเซวะวิโพอเรวิเซเกสมบะบุานงอคาปโตปะโมนาติสุนขัดตังสุมังาลสุปาตังสุหุ ที่ต no ังสุขโนสุโมโหโตจ้าสุยิทธังพระมจาลิสุปัทขินังกายกรรมวาจากรรมกวปัทขินาปัทขินังมโนกรรมปนิทิเตปัทคินาปัท ขินานิกัตะว a w a ละพันตัดเทพระธากินีอ่าวันนี้เราก็ได้ร่วมกันทานศีล น, นะ <c oughs> เรามาภาวนากันก่อนแป๊บหนึ่งไหมก่อนจะรับพรเนานะให้ทานศีลภาวนาครบแล้วก็รับพรแล้วกลับบ้านเ <c oughs> ชิญทุกท่าน เข้าสู่การปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชากำหนดสติรละลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราไปเรื่อยๆนะใครเคยฝึกกรรมฐานแบบใดก็ใช้กรรมฐานแบบนั้นไปนะสำคัญที่สุดคือให้เรามีสติรู้สึกตัวนะเป็นพุทธบูชานะเชิญทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติได้ จนจนกว่าพระอาจารย์จะให้สัญญาณเลิก สมควรแก่เวลาแล้วเชิญทุกท่านอุทิศบุญแผ่บุญ พ, ญพนองมือขึ้นพุทโทธธรรมโมสังโฆขอบุญกุศล <c oughs> จากศีลละบารามีาารามทานะบารามี และบุญกุศลจากการที่ข้าพเจ้าได้เจริญสติสมาธิภาวน า, า, ว า, นาในคราวครั้งนี้นจงแปลเปลี่ย น, ป เ, ปยนเป็นความสุขให้กับบิดามารดาปุยาตายาย่ครูบาอาจารย์ ลุงป้านาอาญาติาพี่น้องมิสหา ย, ย, าหายครอบครัวและคนรั ก, รรรกผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวร เ, เทพเ ท, เทวดาที่คุ้มครองข้าพเจ้าพร้อมทั้งสัรพสัตทั้งหลายด้วยเถิด